ตางก็มีกรรมเป็นของของตนผู้ใดทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นมีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องจาไว้ให้มั่นอย่าไปเชื่อปรมปราไปอย่างอื่นเมื่อได้ประสบความทุกข์ความ วิบัติอย่างใดอย่างหนึง่งหากแก้ไขไม่ตกเราก็ต้องให้นึกว่าเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวได้ทำออากมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปคิดหวังเพิ่งสิ่งอื่นให้มากาจัดความวิบัติ ขัดข้องอะไรออกจากกายจากใจถึงจะคิดอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกมาช่วยมันก็ไม่เป็นผลเพราะอนุภาพแห่งกรรมชั่วที่คนเราทำมาแล้วนั้นมันอยู่เหนือชีวิตของคนผู้กระทำกรรมชั่วนั้นแม้กรรมดีก็เหมือนกันเมื่อกรรมดีมันจะให้ผลแล้วไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานได้ มันก็ต้องให้ผลตามการตามเวลานี่มันจะมีคาถาอาคมหรือมีการบวงสรวงเศกเป่าอะไรกันไม่ให้พุนั้นถึงซึ่งความเจริญเช่นนี้ก็ไม่มีทางยกเป็นกันไว้ได้ในเมื่อบุญมันให้ผลเราต้องเชื่ออย่างนี้มันยึง ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์รู้แจ้งอย่างเส้นพระเทวทัศเมื่อนึกถึงบาป ก, กรรมของตัวได้ ต, ตนได้ทำกับพระพุทธเจ้ามามากมายแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทำตนแม้แต่น้อยเดียวก็คิดจะไปขอขามาโทษต่อพระองค์นอนป่วยอยู่ ให้ลูกศิษย์เอาใส่แค่แล้วถามไปวัดเจดวันนารามพระทั้งหลายเห็นลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาแต่ใกลก็ไปกราบทูลพระศาสดาบอกว่าลูกศิษย์ถามพระเทวทัตมาเฝ้าพระองค์พระองค์ก็ทรงดำ้ำรนักว่าถึงอะไ ร, ระเทวทัตก็ไม่ได้เห็นเราในฐานะขด อวันนี้ก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพระก็ไปทูลอีกพระองค์ก็ตรัสยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรเทวทัต ก, ก็ไม่ได้เห็นเราสทฐาคกใกล้เข้ามาที่สุดถึงสรโบครณีพระก็ไปกราบทูลพระองค์ก็ยังยืนยันอยู่ว่าถึงอย่างไรก็ไม่เห็นเราสทฐาคตนุกศิษย์ก็ร้อนหลายนี่ ก็ปงอาจารย์ลงไว้ริมฝั่งสระน้ำนั้นแล้วลุกศิษ์ก็ลงอาบน้ำกันที่สระนั้นพระเทวทัตก็ลุกขึ้นเอาเท้าอยัางลงไปสู่พื้นดินหวังว่าจะวิทย์น้ำในสระนั้นมาล้างหน้าล้างตัวทันใดนั้นแผ่นดินก็แยกออกแล้วถูกเอาพระเทวทัตลงไปไม่อยู่ในอเวจีมหานรก เนี่ความรู้ของ菩萨ทศดาเน่ยไม่มีใครที่จะยิ่งไปกว่าเลย <omma. S 1> เมื่อพระองค์ทรงได้ลำดัดอย่างไรแล้วต้องเป็นไปอย่างนั้นจริงๆไม่มีผิดเลยมนเรื่องอื่นๆเยอะแยะที่พระองค์ทรงพยากรณ์แล้วเป็นไปตามที่ทรงพยากรณ์คนทั้งหลายถึงอัศจรรร์โ่กมิจฉาทิฏฐินั้น ผู้มิสถีิรได้ฟังได้เห็นอาการความรู้ยิ่งของพระองค์จึงได้เกิดความเลื่อมใสละ ล, ะละทัทธิลทัทธิอันผิดผิดอันนั้นมานับถือพุทธศาสนาก็มากมายพอได้เห็นพระปฏิหารของพระองค์ <c oughs> นี่พูดถึงเรื่องอนุภาพแห่งกรรมดีกรรมชั่ว ถูกการฟังเรื่องกรรมดีอย่างนี้นะเมื่อมันจะให้ผลมาแล้วอย่างเป็นคนชายเขาเป็นทาสเขาได้แท้ทาสของเศรษฐีกรุงราชคฤห์มีสามพ่อลูกด้วยกันพ่อกับแม่กับลูกสาวลูกพ่อตื่นเช้ามา ก็ได้ควายได้ไถออกไปไถนาผู้เมียอยู่บ้านก็หูงหาอาหารแล้วไปส่งผัวอยู่ที่นาเศรษฐีทุกวันทุกวันวันนั้นนำอาหารไปพอได้ไปเจอธรรมศารีบูรเข้าระหว่างทางเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้เอาอาหารนั้นใส่บาตรในท่านจนหมด แล้วกลับไปบ้านไปทำอาหารใหม่ไปส่งให้สามีสามีไถนานแล้วสดควายแล้วก็มานั่งคอยท่าเมียอยู่พอเมียไปถึงเข้าเมียก็เตือนนะคุณอย่าเพิ่งโกรธฉันนะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องดีให้ฟังฉันนำอาหารมาให้คุณแหละแต่มาถึงระหว่างทางได้พบท่านมสา ร, ริบุตรเทระเจ้า จะได้เกิดศรัทธาขึ้นก็เลยเอาอาหารนั้นใส่บาตรให้ท่านไปหมดฉันก็กลับไปบ้านไปทำมาใหม่นี่เออคุนก็ดีสิฉันก็ขออนุโมทนาด้วยแต่ก่อนที่เธอจะพบท่านนะท่านมาพบฉันก่อนท่านเดินบินธบามาแล้วก็มายืนอยู่ใกล้จอมปวก ท, ที่ฉันไถนาอยู่เนี้ย แล้วฉันก็นึกว่าเอ๊ะพระผู้เป็นเจ้ามายืนอยู่นี่คงคงจะต้องการอะไรอย่างไรอย่างไรอย่างหนึ่งก็คิดว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันก็เอาผ้าไปตัดเอาไม้อยู่ที่จอมปลวกนั้นมาทุบๆให้อ่อนนุ่มดีๆแล้วก็เอาไปถวายท่านพร้อมทั้งน้ําขันหนึ่งท่านก็ล้างปากถูฟันเสร็จแล้วท่านก็เดิน เข้าไปในหมู่ในเมืองยิงไปพบกับเธอนั่นแหละเพราะงั้นถ้อยนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันนะ่ะสิต่างคนต่างก็อนุโมทนาร่วนบุญกุศลด้วยกันสามีนั้นรับประทานอาหารเสร็จแล้วเหนื่อยก็นอนพักผ่อนอยู่สักคู่หนึ่งเขาตื่นขึ้นมองไปนาที่ไถต้นไถทิ้ไงไว้นั้น คนขี้ไถก็เหลืองอลาหล่ำไปหมดเอ๊ะทำไมก้อนขี้ไถ่ที่ฉันฉันไถเมื่อเช้าเนี่ยมันเหลืองไปหมดเลยหรือว่าตาสันมันฟาดแล้วยังไงอะเธอมองดูสิไอเมียมองไปก็เห็นว่าเหลืองเหมือนกันเอ๊ะถ้ า, างั้นเราไปดูกันทีว่าก็ลงจากห้างนาแล้วก็ไปดูกัน พขาไปดูที่ไหนได้ก้อนที่ไถเป็นทองคําหมดเลยเฉพาะแต่ไรนาะที่คนนั้นไถตอนเช้านั้นเขาเองนะที่ไถแต่แต่กอนนั้นไม่เป็นก็ทีอกดีใจแล้วเราจะทํายังไงปรึกษากันก็ลงคอมเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราต้องได้พึ่งพระราชาไม่อย่างนั้นเราตายแน่ของนั้น คิดได้ก็พากันเข้าไปในเมืองไปเฝ้าพระเช้าวินารไปกราบทูนในทรงศพระเช้าวินทร์จงได้รับรับสั่งให้เอาเกวียนห้าร้อยเล่มออกไปเพราะสมัยนั้นรถยนต์ก็ไม่มีออกไปให้ให้ไปขนเอาก้อนทองคำขี้ไถอันนั้นเข้ามากองไว้ที่หน้าพระรานหลวงในพระราชวางัง คนเราั้นงเอาล้อเอาเียนออกไปก็ไปขนเอาก้อนขี่ไถทองคาอันนั้นใส่ล้อใส่เลียนของตนของตนถ้าก้อนไหนคิดว่าก้อนนี้เราจะเอาหยิบเอาแล้วใส่กระเป๋าเสือ้อกลายเป็นดินไปต้องได้เอาออกมารวมกระหมู่ไว้เอาเป็นทองคาถ้าจะหยิบเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อเป็นดินไป นั่นแหละดูคนไม่มีบุญนะไม่มีทางจะได้ครองสมบัติอันมีค่าไม่มีใครเอาได้แม้แต่น้อยเดียวตกลงว่าต้องขนทองคำนั่นไปคลองไว้หน้าพระลานหลวงเท่ากับภูเขาน้อยลูกหนึ่งเมื่อนี้พระเจ้าวิมิสานก็ทรงสั่งให้เจ้าหน้าที่ไ ป, ปบอกพวกเศรษฐีในเมืองราชคือ มาดูฟองทองคาของสามพ่อลูกนี่มากันแล้วก็พระเจ้าวิวิสารถามว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านน่ะของใครบ้างที่มีเท่านี้หรือว่ามากกว่านี้มีไหมไม่มีใครมีเท่านั้นเลยต่างคนดังก็ทูลว่าทรัพย์สมบัติของข้าพระ อ, องค์ไม่มีเท่านี้แม้แต่ครึ่งหนึ่งก็ยังจะไม่เท่าซ้ำว่างั้น พระเจ้าวิมิ์สารจึงได้ตั้งให้ชายทุกะตะคนนั้นสามพ่อลูกนั่นเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นี่แหละแสดงถึงอนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำเอามาจะในอดีตหนหลังบ้างทำในปัจจุบันนี้บ้างไอบุญที่มันให้ผลในปัจจุบันอย่างเช่นสามพ่อลูกนี้นั่น มันทั้งอาศัยบุญกุศลหนนหลังด้วยแล้วอาศัยบุญกุศลในปัจจุบันด้วยในปัจจุบันนี้เขาอาศัยบุญกุศลหนนหลังมารณบรรดาลให้ได้พบเห็นหรือว่าให้คนเหล่านี้ไปต้องขายานของทรานสารีบุตรเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่เจ็ดวันเมื่อท่านออกกลางนิโรธสมาบัติ มาแล้วพิจารณาดูบุคคลที่ควรจะสงเคราะห์คนเหล่านี้ก็ไปต้องขายงานของท่านเข้าให้อย่างนี้แหละคนมีบุญนะคนบุญไม่ถึงแล้วไม่มีที่จะไปต้องขายงานของผู้วิเศษอย่างนั้นท่านพิจารณาดูแล้วท่านจึงได้เดินทางไปสงเคราะห์ให้คนเหล่านั้นได้ทำบุญ ถวายทานก่อนคนอื่นทั้งหมดเพราะว่าพระอรหันต์ที่ท่านเข้าที่ท่านออกอย่างนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆถ้าใครได้ทำบุญถวายทานก่อนเพื่อนแล้วผู้นั้นย่อมได้รับผลในปัจจุบันนั้นแน่ mm hmm. นอนเลยไม่อย่างใดก็ยังนึง <c oughs> อันนี้อนุภาพแห่งบุญกุศลที่บุคคลทำมา เมื่อมันมีกำลังแรงกล้าพอแล้วมันก็โดนบันดาลให้ผลอย่างกระทันหันเอาโดยไม่ต้องลำบากยากเย็นอะไรเลยเป็นอย่างที่เรื่องเล่ามานี้เองแต่คนเรานั่นทำบุญกุศลอะไรลงไปแล้วอยากให้มันได้ผลไวๆนั่นอย่างนี้ แล้วตนเองทาบุญกุศลยังไม่มากพอที่มันจะให้ผลได้ไวๆอย่างที่ทุกขะตะเศรษฐีนางกล่าวมานี่อันที่ว่านี่เข้าใจว่าแตกชาติก่อนเพื่อนของทาบุญกุศลมามากมายฝึกตนมาแต่ว่าเข้าใจว่ามันมีกรรมอันไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งมันตามมาให้ผลในชาตินั้น พขาเกิดมาจึงได้มาเป็นคนใช้ของเศรษฐี <c oughs> แต่ตอนนั้นเรียกว่ากรรมชั่วมันกําลังให้ผลอยู่วันนี้เมื่อกรรมชั่วมันให้ผลหมดตรงแล้วกรรมดีที่ทําไว้นั้นมันมาให้ผลจึงดนบันดาลให้ภพพระผู้วิเศษเช่นนั้นเข้าในทําบุญกับท่านสมทบกับบุญหนหลังเข้าไปจึงได้ ให้ผลปัจจุบันทันด่วนทันทีเลยไม่ต่องได้ออกแรงอะไรให้น้าอันนี้เรียกว่าเป็นโลกียทรับที่สามพ่อรูกนั่นได้รับอันนี้เมื่อเพื่อนได้รับส่วนผลบุญกุศลที่ตนทำมาอย่างนั้นแล้วแทนที่จะประมาทเพลิดเพลินสวยแต่ผลบุญของเก่าเพื่อนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นเช่นนั้น ยังทำบุญทำทานแล้วก็เข้าวัดฟังธรรมแบบนีนะ้ไปเมื่อได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าขเขา้าก็ได้บรรลุโสดามันทั้งสามพ่อลูกพ่อแม่กับลูกสาวในบรรุโสดามันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาขันอยู่มาฝ่ายลูกสาว ไอะกูลเศรษฐีที่ได้ไปอยู่อาศัยมาแต่ก่อนนั่นเนี่ยมันมีลูกชายอยู่คนหนึ่งเขาก็แต่งคนได้มาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนใหม่ทมเนียมแขกอินเดียไะผู้หญิงต้องไปสู่ตระกูลผัวก็จกลงแต่งงานกัน mm. นางคนนี้ก็เลยได้ไป สู่ตระกูลสามีตระกูลสามีเป็นมิจฉาทิฐิไม่นับถือพุทธศาสนาในวันนี้ฝ่ายภรรยานั้นเป็นผู้เป็นอริยะบุคคลในพุทธศาสนาขันระโพดาบัน <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> เมื่อไปสู่ตระกูลสามีที่เป็นมิจฉาทิฐิ ก็ไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําทานอะไรก็จึงส่งจดหมายไปหาพ่อแม่บอกว่าฉันอยู่ว้านสามีไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรเลยออขอเงินมาทําบุญทําทานบ้างหรอพ่อแม่ก็นําเงินมามอบให้ก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์มา ฉันประธ า, ารในบ้านขออนุญาตสามีสามีก็ อ, อนุญาตเลมาทำบุญถวายทานอยู่เจ็ดวันฟังเทศฟังธรรมคำสอนของทศเจ้าไปเสริมอินทรียบรมีให้แก่กล้าขึ้น <c oughs> แต่ไม่ปรากฏว่าฝ่ายพ่อผัวแม่ผัวหรือฝ่ายผัวนั่นนะ ว่าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาดูมันไม่มีเอ่อย่างนี้แหละในโลกธรณีวัฏของเรานี่อย่างว่าไอเรื่องความคิดความเห็นหรือความเชื่อความน่าถือเนี่ยมังคับกันไม่ได้เลยมันเป็นไปเองออผู้ใดมีบุญวาสนาอย่างไรได้ทํามาบุญวาสนานี่ยแหละมันก็โดนบันดาลให้ เมนชีวิตไปในทางนั้นผู้ที่เคยเห็นผิดเป็นชอบมาแต่ก่อนแต่ว่าเขาก็คงได้ทำบุญมาเหมือนกันแหละก็ถึงได้มาเป็นเศรษฐีแต่พูดถึงความเห็นในทางลทัทธิความเชื่อถือแล้วก็ น, นั้นว่าเขาให้มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงเขาคงเห็นว่าทานไม่มีผลอะไรนั่นแหละ ก็ถึงไม่ทำบุญให้ทานหรือว่าเขาจะให้ทานแก่นักบวชที่เขานับถือก็ไม่รู้หรอกแต่ทานในพุทธศาสานานี่พระบรมศาสด า, าทรงตรัสว่าผู้ที่ได้ให้ทานแก่พระอริยบุคคลผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วนั้นย่อมมีผลมาก <c oughs> อุปมาเหมือนอย่าง บุคคลทำนาทำสวนเมื่อปรับดินให้ดีถอนหญ้าถอนตอไม้อะไรออกหมดดีแล้วปลูกข้าวหรือปลูกต้นไม้อะไรลงไปในดินนั้นมันก็จเจริญ ง, งอกงามขึ้นได้เพราะดินนั้นไม่มีศัตรูพืชอยู่นั้นต้นข้าวหรือต้นพืชต่างๆมันก็มีโอกาสย่างลากไปหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นของมันได้เป็นอย่างดี ถ้าย่ามันขึ้นมาเขาก็ไปถอนหญ้าออกไปอุปมานี้ฉันใดก็อย่างนั้นใน <c oughs> การที่บุคคลปรับดินให้ดีนั่นน่ะดินที่ดีดีที่ไม่มีหญ้ามีตอไม้อะไรอยู่นั้นอุปมาเหมือนอย่างท่านผู้มีความเพียรใหญ่ผ้าเพียรละอาสวะกิเลส ให้หมดสิ้นไปจากกิจใจแล้วทีนี้การที่บุคคลไปหว่านพืชลงในที่ดินอย่างนั้นอุปมามันยังบุคคลพูทธจะมีความเลื่อมใสในพระอริยบุคคลพูเที่ยวสั้นสิ้นอาสวะกิเลสแล้วแล้วก็มีจิตอินดีเลื่อมใสถวายทานยินดีกราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ถูกเทียน เนื้อยินดีทําตามโอวาทที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่นี้บุญกุศลย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสนับถือท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชลงในดินที่ปรับดีแล้วก็ฉันนั้นแหละเพราะฉะนั้นนี่ยใน ตามที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงแสดงแก่สุพัทธปริพาชกผู้บวชเป็นคนสุดท้ายวันพระองค์งคปรินิพานนั่นนะสุระธาไปทูลถามว่ามีใครบ้างลัทธิต่างๆที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ที่ได้สำเร็จสิ้นอาสวะกิเลส ปัญหานั่นนะเช่นครูทั้งหกเป็ น, น ต, ต้นรัชศสดายยังได้ทรงตรัสแก่สุภะทะปริพาชกว่าดูก่อนสุภทะในทรรมวิในใดถ้าไม่มีศีล ส, สมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดประการแล้วในทรรมวิในนั้น ย่อมไม่มีสามารถที่จะมีมัสมีผลมีพระนิพพานอะไรเกิดขึ้นได้เลยในธรรมวินยัยใดถ้ามีผู้ปฏิบัติตามมันมีองค์แปดประการอยู่โดยดีโดยความไม่ประมาทแล้วในธรรมวินัยนั้นย่อมมีมัผลนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางแน่นอนทีเดียวเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้ มีพร้อมบริบูรณ์เลยมักอันมีองค์แปดประการมีความเห็นถูกเห็นชอบเป็นเบื้องต้นแล้วมีความตั้งใจมั่นเป็นปริโย <c oughs> สันสุภัท ธ, ธปริพาชกได้ฟังอย่างนั้นแล้วจึงเกิดศรัทธาเลื่อมใสขอบวชกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงรับสั่งให้พระ อ, อนุน ไปบวชสุขท่าปริภายทกแล้วก็มาเฝ้าพระศาสดาพราะองค์ก็ทรงสอนพระกรรมฐานให้ท่านเรียนเอาพระกรรมฐานโดยสังเกตั้นนี้ก็ไปทำความเพียรเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอยู่จนตลอดคืนในตำราท่านก็กล่าวว่า ท่านได้สําเร็จอารหาัตผลก่อนพระ อ, องค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านเรียกว่าปชิมมะพุทธสาวกเป็นพระสาวกที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดเอาเป็นองค์สุดท้ายแล้วพระ อ, องค์ก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสักขีพยานให้รู้ได้แล้วว่า ลัทธิอื่นหรือว่าศาสนาอื่นนั่นนะแม้จะปฏิบัติเข้มงวดกลัวขันอย่างไรก็ไม่มีมักไม่มีผลได้เพราะว่าเดระดำเนินในทางที่ไม่รอบครอบเรียว่าคุณธรรมที่เขาดาเนินนั่นน่ะมันไม่ไม่รอบครอบเหมือนอย่างข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่ มันเป็นข้อปฏิบัติที่กำจัดกิเลสได้ทั้งสามประการข้อกิเลสใหญ่ๆแท้ๆก็มีอยู่สามประการมีราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งหรือว่าความโลภหนึ่งความโกรธหนึ่งความหลงหนึ่งอันนี้สินสมาธิปัญญานี่นะกำจัดความโลภโกรธหลงอย่างยาบได้ อย่างกลางได้อย่างละเอียดก็กําจัดได้หมดนี่เรียกว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนผู้บำเพญ็ญศีลสมาธิปัญญาในขั้นต้นนี้มุ่งทำศีลในบริสุทธิ์ไปก่อนเนี่ยเหมือนอย่างผู้ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาเนี่ยการบำเพ็ญทางจิตใจนี่ก็ยังไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ แต่เราต้องปลูกศรัทธาความเชื่อลงในศีลในวินัยให้เข้มงวดสำมรวมในวินัยให้เข้มงวดกวดคันไม่ละเมิดพระวินัยนี่เมื่อทำศีลให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้แล้วจิตใจมันก็เบิกบานผ่องแผ้วเพราะมันไม่มีบาปอคุณผลเกิดขึ้นทีนี้เมื่อ ใจิตใจเบิกบานผ่องใสเราเจริญพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับจริตนิสัยของตนเข้าไปจิตมันก็ค่อยสงบลงไปได้โดยลำดับเพราะว่ามันไม่มีบาปอากุศลมารบ ก, กวนมันมีแต่กุศลธรรมอยู่ในใจเป็นอย่างนั้นถึงว่าศีลมันเป็นบาตเป็นบทบาทให้เกิดสมาธิจิตได้ เมื่อทําจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมได้แล้วสมาธินั่นเนี่ยก็เป็นบทบาทให้เกิดปัญญาอืทําให้ความรู้ความเห็นเกิดขึ้นในใจว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นความเห็นของพระโสดามันในประถมอมัส ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความเกิดขึ้นนะอันแล้วมันจะตั้งเที่ยงยั่งยืนอยู่ไม่แต่ผันไม่แจกดับไม่มีเลยในโลกนี้นี่ปัญญาเมื่อเกิดจากสมาธิแล้วย่อมมองเห็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อแยกออกไปมันก็มีรูปกับนามนี้ท่านี้เองเลย ถ้าพูดให้กว้างออกไปก็กว้างเอาเหลือล้นเนะ่ะแต่ว่าเมื่อรวมให้กระทัดรัดเข้ามาก็ได้แก่น้ำกับรูปนมามธรรมเช่นกรรมกริเลสวิบากเหล่านี้มันก็เป็นนมามธรรมแหละเป็นธรรมที่ไม่มีรูปเช่นกรรมดีกรรมชั่วกรรมไม่ดีไม่ชั่วมวลนี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรอนะ่ะนั่นเอง กิเลสเช่นราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคนเราอย่างนี้นะมันไม่มีรูปร่างอะไรเลยเป็นแต่ธรรมารมที่เกิดขึ้นในดวงจิตแต่มันก็มีอิทธิฤทธิทําจิตของคนเราให้เศ่าหมองคุณมัวให้วันไวพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปได้เนี่ยนะกิเลสเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลไม่ ระงับมันได้มันเป็นเหตุให้ทํากรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างนี่กรรมดีกรรมชั่วที่ทํานั้นมันก็ไม่สูญหายไปไหนมันนี้มันก็ติดตามให้ผลแก่บุคคลผู้กระทําตามการตามเวลาเมื่อมันยังไม่ถึงเวลามันก็ยังไม่ให้ผลต่เมื่อถึงเวลาเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นท่านเรียกว่าวิบา นี่แหละเมื่อมันตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้เกิดขึ้นมาแล้วนั้นก็ตามรักษาชีวิตนี้ให้ใหเป็นไปอยู่เมื่อเมื่ออายุของบุญของบาปยังอยู่ชีวิตนี่ก็ยังเป็นอยู่ไปทีนี้เมื่อมันให้ผลไปให้ผลไปมันชวนจะหมด เศษของบุญและบาสนั้นนนั้แล้วอาไอ้บุญบาสนั้นมันก็น้อยลงน้อยลงร่างกายก็ทุดโทรมลงไปเราเรียกกันว่าแก่ชราร่างกายชำรุดทุดโทรมอย่างนี้แสดงว่าผลบุญผลบาป ท, ที่ทํำมาแต่ก่อนมันน้อยลงไปแล้วมันจนจะหมดแล้วเหมือนอย่างตะเกียงและโคมไฟเมื่อน้ำมันมันน้อยลงน้อยลงแสงไฟมันก็หลี่ลงไปโดยลําดับ เป็นเช่นนั้นหันำมันหมดไฟก็ดับหูบลงไป <c oughs> ชีวิตของคนเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเมื่อบุญและบากที่ตนทำมาแต่ก่อนมันให้ผลไปหมดเขตกข้ามาแล้วชีวิตนี้ก็ดับหูบลงแม้ว่าบุคคลจะทำบุญกุศลทำความดีอะไรในปัจจุบันนี้มากมายยังไงมันก็ต่ออายุให้ไปไม่ได้ ผลบุญในปัจจุบันนี้มันก็อํานวยให้จิตใจมีความสุขสงบสบายไม่เดือดร้อนออยู่ในปัจจุบันนี้นะนี่แต่ว่าผลบุญผลกรรมที่ทําในปัจจุบันผลบาปที่ทําในปัจจุบันก็ทําใจเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่มันยังสนองร่างกายนี้ยังไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น เช่นมันจะต่ออายุให้ยืนยาวนานไปอย่างนี้มันก็ต่อไม่ได้เมื่อหมดผลบุญผลบาปของเก่านั้นลงไปแล้วผลบุญหรือผลบาป ท, ที่ทำใหม่นี้ก็จึงมีโอกาสให้ผลสืบต่อไปเมื่อบุญให้ผลมันก็บุญก็นำจิตวิญญา น, นี้ไปเกิดที่สุขสบายถ้าบาปมันให้ผลเวลาจุน จะดับขันมันเลยไปบาปมันก็นําไปเกิดที่ทุกข์ที่ยากลําบากที่ท่านเรียกว่านารกอบายภูมินั้นอันนี้แหละท่านเรียกว่าที่ที่ความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะเรื่องว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาไม่เอา กิเลสกรรมวิบาอันตกแต่งร่างกายอันนี้ส่วนที่เป็นรูปก็ได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นนมามธรรมก็ได้แก่ธรรมอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างมือนี้นะทีนี้สําหรับพระโสดาบันนะั่นท่านมาพิจารณาร่างกายนี่ ให้เห็นเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาตามความเป็นจริงแล้วท่านก็ปล่อยวางไม่ถือมั่นว่าเป็นตัวตนของเรานี่เมื่อท่านปล่อยวางขันห้านี้ลงไปไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนป เ, เป็นเราเป็นเขาแล้วมันก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมานั่นแหละเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงคุณพระรัตนาไกลมีจริง นรกสวรรค์พระนิพพานมีจริงนี่มันเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยดังนั้นมันจึงหายสงสัยจึงหายสงสัยในเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยเอาก็เห็นแจ้งว่าตนนั้นก็มีศีลตนได้ละเว้นบาปกรรมอันชั่วหมดแล้วตนไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรศีลห้า ตนได้รักษาให้บริสุทธิ์แล้วเอาผู้รักษาสินแปดก็กําหนดรู้ได้เลยว่าสินแปดที่ตนรักษาอยู่ก็บริสุทธิ์ไม่ได้ร่วงเกินผู้รักษาสิน 10, สิบสินสองร้อยยีิบเจ็ก็ดีก็รู้ก็เห็นแจ้งขึ้นในใจว่าสินของตนบริสุทธิ์ ต, ตนไม่ได้ร่วงวินัยพุทธบัญญัติ ถ้าได้พังเผอร่วงก็ได้ทำการแก้ไขตามคมวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ก็ค้นโทษภยัยอย่างนี้แหละความรู้ความเห็นของพระโสดาบันนะดังนั้นความรู้คำในข้อวัดปฏิบัติของพระโสดาบันนั้นไม่มีมรูปค ำ, นนมมคำหมายว่าว เออเรารักษาศินเนี่ยมันจะได้ผลดีอย่างไรหนออย่างนี้นะไม่มีเลยหรือว่าการที่เราทําบุญได้ทานนี่จะได้ผลดีหรือไม่หนออะไรบพางนี้ความสงสัยอย่างว่านี่ไม่มีเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เนี่ยแล้ว เ, เราจะได้ผลอะไรกับการกราบการไหว่อย่างนี้ความสงสัยอย่างนี้ก็ไม่มีเพราะมันรู้แจ้งทัดแล้วว่า พระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ประเสริฐล้ำเลิศและอาศวกิเลสขาดจากพระคณสั น, นานก่อนคนทั้งหลายในโลกแล้วพระธรรมที่พงศ์เจ้ารู้แจ้งนั้นก็เป็นพระโลกตระธรรมเป็นธรรมเหนือโลกเป็นธรรมอันประเสรศิฐอควรกราบควรไหว้ควรปฏิบัติตามจริงๆพระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์ ย่างตามก็นับแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลผู้ห่างไกลจากคีเล็ปา่าปะธรรมโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างจึงเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาเพราะบุคคลผู้ละอาสวะคีเล็ขาดได้นี่แสดงว่าเป็นคนมีบุญหนักสักใหญ่ใดสั่งสมบุญกุศลมาจนเต็มบริบูรณ์แล้ว ก็จึงสามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ท่านท่านผู้ใด ย, ยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูนท่านผู้นั้นก็ยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากกิตใจไม่ได้เลยได้ก็ได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นเองจะให้สิ้นเชิงไม่ได้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พิจารณาเห็น พระคุณอันประเสริฐเช่นนี้แหละจึงในเรื่องใสสศรัทธายินดีกราบไหว้แม่แต่รูปหล่อของพระ อ, องค์เราก็ยินดีกราบไหว้ด้วยความเต็มใจโดยที่เรามานึกถึงพระคุณนู่นแต่เราเอารูปอันนี้เป็นสักขีพยานแต่ในใจนั้นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนู่นเป็นอารมณ์เปนผู้ทลาด การกราบการไหว้นะมันก็กราบไหว้โดยความสนิทใจไม่คลังเลสงสัยอะไรเลยว่าการกราบนั้นจะมีผลดีหรือไม่หนออะไรอย่างนี้คนระับไม่มีในผู้นั้นเลยในในเมื่อผู้นั้นมารู้พระคุณทั้งสามดังกล่าวมานี้ว่าเป็นของประเสริฐจริงๆดังกล่าวมานี่น ะ, ะแล้วก็ยินดีปฏิบัติตาม ศีลสมาธิปัญญาดังที่บรรยายมาแล้วนั้นเลยด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งอืม mm hmm. เพราะว่าถ้าว่าไม่ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ mm hmm. เขาไม่มีสิ่งใดที่จะมากําจัดอาสวัคิีเลสอันมักรองอยู่ในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปได้เป็น mm hmm. อย่างนั้นมีแต่ศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้น ที่จะมากมจัดราคะโทสะโมหะมานิตถิสัพสังกิเลตน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่นะให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้โดยแท้จริงเพื่อข้อปฏิบัติอย่างอื่นถามล้ที่อื่นนั้นไม่มีทางในที่ตะขงพุทธการ เอาบางพวกก็ว่ามั น, ม, นมันกิเลสนี่มันเกิดจากความผูกพันกับวัตถุต่างๆอย่างนี้อย่าอย่าให้มันมีวัตถุอะไรอยู่กับตัวเลยสละทิ้งให้หมดแม้แต่ผ้าผนก็ไม่นุ่งเลยอย่างนี้คนเหล่านั้นก็ยังไม่ไม่สามารถจะทำอาสวะกิเลสทั้งหมดสิ้นไปได้เอายิ่งไปคนนั้นพันยัง ทำแค่ขึ้นไปแล้วเอาก่อไฟไว้ทางใต้นั้นนอนอยู่บนแค่ยางร่างกายอันนี้ให้ไฟมันลมเอาให้กิเลสที่มันสิงอยู่ในร่างกายนี้แห้งไปแม้ทําอย่างนั้นจนตายก็ยังละ ก, กิเลสไม่ได้นี่พระศาสดาทรงพิจารณ์รู้แจ้งแล้วจึงได้นํามาแสดงไว้ให้พุทธบริษันทั้งหลายฟัง พระองค์เจ้าแสดงธรรมจาจักกับปวัตนนสูตรเริ่มต้นจิงว่าทรงสอนให้ภิกษุปัญจว่คคียทั้งห้านั้นนะละการมัสุขหาริการุโยกการประกอบความยินดีความพอใจผูกพันอยู่ในการมัสุสมบัติอันนี้ก็เป็นอุปสรรคแห่งการบรรลุมรรคธรรมวิเศษ เอาอัตตาทีวิิธานุโยกการทำความเพียนทรมา น, น้นโดยขาดสติขาดปัญญาก็เหนื่อยเปล่าไม่มีผลประโยชน์อะไรสะแสดงว่าคนเหล่านั้นมันมีแต่ศรัทธาความเชื่ออย่างแรงกล้าเฉยๆคิดเห็นอย่างไรว่ากิเลสมันจะแห้งไปก็ทำไปเท่านั้นเอง ไม่ไม่ได้มีอุบายปัญญาอะไรเลยเกิดขึ้นในใจดังนั้นมันจึงไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จึงไม่สามารถทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งลงได้รรพระราาจึงได้ทรงสอนทางมัชิมาปฏิวทาทางสายกลางไว้ให้ พุทธบริษัททั้งหลายลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังแสดงให้ฟังมาโดยลำดับนั่นเนี่ยนี่ว่าเป็นทางสายกลางเมื่อปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้แล้วถ้าปฏิบัติโดยถูกต้องจริงๆก็จะทำจิตของมนุษย์ให้เป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ส่วนทางสองสายที่ว่านั้นทางการมาสุ ข, ขารในกาลโยกนั้น เบนจิตใจเป็นทางแห่งความรักความใคร่ส่วนทางอัตตะคิมิธานโยกนั้นมันโน้มใจไปในทางความเกลียดชังเกลียดชังร่างกายสังขารอันนี้เห็นว่าเพราะมีร่างกายอันนี้แหละมันถึงมีทุกข์อยู่นี่อยีางนี้นะมันเข้าใจผิด ทิ้งกิเลสไม่ได้แทรกอยู่ที่ร่างกายสังขารอันนี้เลยมันอยู่ที่จิตรุจฉาห์เขาไม่ได้มีอุบายสอนจิตไถลความยึดความถือโดยอุบายที่ชอบไปทรมารร่างกายนั้นเอาหวังว่าจะให้กิเลสอันมันแทรกซึมอยู่อยู่ในร่างกายนั้นมันเหือดแห้งไปเองอย่างนี้นะเทนั้นยังว่าไม่เป็นทางพ้นทุกข์ไปได้นั่นเอง ส่วนในพุทธศาสานานี่พระองค์ให้ดำเนินข้อปฏิบัติไปสายกลางนั่งพอประมาณนอนพอประมาณบริโภคอาหารก็พอประมาณเดินยืนนั่งนอนพอประมาณพูดจาอะไรก็พอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณอย่าให้เกินขอบเขตนี่ให้พอดีอดใหพ้พอสมเหตุสมผล อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าทางสายกลางเป็นทางพ้นทุกข์ในพุทธศาสนาดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้